ยังไม่หายเหนื่อยเลยปิดสองวันวันนี้งานเข้ากรุงเทพเยอะคล้ายๆเอาธรรมะไปให้ถึงบ้านเลยแต่ก่อนหนูกพ่อไปเรียนนะโอ้ยไปไกลหาครูบาอาจารย์อยู่ทางเหนืออยู่อีสานใกล้ที่สุดย โ, โคระ ตะเวนไปเรียนมางที่ไปยากมากรถเข้าไม่ถึงเดินเข้าไปเดินไปครึ่งวันอย่างน้อยนะสมยัยครูบาอาจารย์ท่านเดินตามหาโลวงปู่ ม, มั่นเดินกันหลายเดือนที่เดินจนไม่เจอก็มีเดี๋ยวนี้พวกเราสะดวกเรียนไม่ยากนะเปิดอินเทอร์เน็ตก็เรียนได้แนละ้วแล้วได้ผลด้วย พวกที่อยู่ต่างประเทศเ้าเรียนกันเวลาเขามาส่งเงินบ้านน่าดูนะนึกไม่ถึงนะตอนนโยขอทำซีดีที่แรกหรือขอทำเว็บนะไม่ค่อยเรื่อมใส่นะ <c oughs> <c oughs> ไม่เคยเห็นเงียเรียนธรรมะ ก, กันทางอินเทอร์เนต็ตเรียนไปเรียนไป ไ, ได้ผลจริงจริงเรียนแล้วพอไปหาครูบาอาจารย์ท่านก็ยอมรับนะ ยอรับสิ่งที่พวกเราฝึกกันมาหลายองค์ก็ชมว่าลูกศิษ์หลวงพ่อประโมวนภาวนาเก่งเยอะมีเยอะเมื่อวันวิสาขะหลวงพ่อพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทพูดถึงเรื่องสภาวธรรมส2บสองขั้นตอนของปฏิจจสมุปบาทมันเป็นเรื่องรูปนามทั้งหมดเลย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 การที่ท่านสอนปฏิจจสโบรบาทสอนเพื่อให้เห็นความจริงว่ากระบวนการเกิดความทุกข์แล้วมันเกิดจากเหตุตัดใจสืบเนื่องกันมาต่อเนื่องกันมาไม่มีอะไรที่บังคับได้แลสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งสิ้นเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเพราไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงไม่มีนี่จะเห็นตลอดสายของการปฏิบัติไม่มีตรงไหนเป็นเราสักที่เดียวเลย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 กิเลสของท่านขาดสะบั้นลงไปพระพุทธเจ้าท่านลึกลงไปอีกสังขารมีอยู่วิญญาณจึงมีอยู่อวิชามีอยู่สังขารจึงมีอยู่จึงท่านยังลึกลงไปอีกอะไรมีอยู่อวิชาจึงมีอยู่อาสวะมีอยู่อวิชาจึงมีอยู่อะไรมีอยู่อาสวะจึงมีอยู่อวิชามีอยู่อาสวะจึงมีอยู่ วัดวัดตามันหมุนหมุนหมุนอยู่ไม่จบไม่สิ้นเลยหล่อเลี้ยงกันไปมาแล้วว่างอาวิชาเอาสวะจริงๆอาวิชาก็าเป็นอาสวะตัวหนึ่งเ อ, อาวิชาสวะเป็นเป็นสภาวะธรรมเป็นกิเลสที่ห่อพุ้มจิตเลยเป็นสิ่งที่ห่อหุ้มจิตนะยพวกเราตอนนี้ใครภอวมาแล้วเห็นสิ่งที่ห่อหุ้มจิตบ้างมีเรือยง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 กิเลสถูกทำลายด้วยสติกิเลสหยาบๆใช้สติเข้าไปทำลายมันนิวรณ์เป็นกิเลสระดับกลางใช้สมาธิอาสาวะวนี่ละเอียดลึกซึ้งที่สุดเลยจะทำลายไดนะ้ด้วยปัญญาอันยิ่งในอริยมรรคปัญญานอกมรรคก็ยังทำลายไม่ได้จริงขนาดปัญญาอันยิ่งไหนบ้างต้องทำลายทั้งสี่ครั้งนะเหมือนฟันสี่ทีนะ่าถึงขาดนะ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 แล้วถ้าไม่ได้ทรงชานเหลือน้อยวันนั้น อ, อีกเยอะเลยจิตจะมี89ดวงก็จริงแต่โดยธรรมชาติแล้วมีอันเดียวคือเป็นธรรมชาติรู้เพราะงั้นจิตถือเป็นสภาวะอันหนึ่งมันหลากหลายออกไปเพราะเจตสิกที่เข้ามาประกอบก็มีมีจิตเป็นหนึ่งนะมีนิพพานอีกหนึ่งเป็นสองนะอีก70นะ็สสภาวะธรรมอีก70สิตัวนะมีรูป18ตัว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 อันนี้จะอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิเป็นส่วนใหญ่ตัวที่ทําให้ถึงฌานได้เช่นอะไรอานาปนสติอนาปนสติอานาปนส ต, ตินะใช้เดินปัญญาก็ได้นะใช้ทําฌานก็ได้เป็นกรรมฐานที่อัศจรรย์นะเพราะฉะนั้นอา น, นาปนสติเนี่ยบางอาจารย์ท่านสอนไหมท่านก็พูดดีนะอาจารย์อภิธรรมบางท่านท่านพูดเลยว่าอานาปนสติเป็นกรรมฐานของมหาบุรุษไม่ใช่โมคคบุรุษ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 ตอนที่มันแปลสภาพเป็นแสงสว่างหยุดอยู่กับที่นะเรียกว่าอุกหานิมิตนะแสงเนี้ยจะสว่าง่อ ย, ย่อได้ขยายได้นะฝึกไปใครอยากเรียนวิชาสร้างแสงแบบย่อยอไหมวิธีทําสมาธิย่อย่อเลยนะหมูหมูหมูห ม, หมูทำใจสบายอยู่ที่นี่นะถ้าเลือดมาเลี้ยงสมองส่วนหน้านะสว่างทันทีเลยนะทำใจสบายนะ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 ตรงที่จิตเคล้าอยู่กับแสงสว่างโดยไม่ได้จงใจเรียกว่าวิจารนะนี่พอสติระลึกรู้ว่านี่ยังมีการกระทาอยู่ยังมีการจงใจไปรู้อยู่นะความจงใจรู้นี่ดับมีตกวิจาร์ดับลงไปธาตรู้ก็ผุดขึ้นมาธรรมชาติรู้ผุดขึ้นมางั้นธรรมชาติรู้ตัวนี้จะผุดขึ้นในฌานที่2เมื่อมิโกวิจาร์ดับไปแล้วนะส่วนนี้ท่านเรียกว่าเอโกทิภาวะ